ลมทุ่งโชยคลิวเข้ามายัางหลานบ้านเมื่อยามเย็นผมกำลังเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกที่ตากไว้กลับเข้ากระบุงเหตุเพระาะไอ้ข้อกับอีเขียวกัดกันโดนกระบุงข้าวเปลือกคว่ำลงแอ่งน้ําในหัวผมเวลานั้นกําลังเต็มไปด้วยความคิดที่จะได้มีวาสนาไปชุบตัวอยู่ที่กรุงเทพโดยความอนุเคราะห์ของนาเกียรติซึ่งแต่ก่อนก็เป็นคนที่บ้านมากโพนี่เอง แต่จากบ้านนี้ไปชุบตัวที่กรุงเทพเป็นเวลานานปีจะได้เมตตาเอาผมไปชุบตัวที่กรุงเทพบ้างอีกคนด้วยว่าผมกำพร้าบิดามารดาแต่เล็กอีกประการหนึ่งการเรียนหนังสือของผมก็แค่เรียนหนังสือวัดใกล้บ้านจบแล้วก็คลุกอยู่กับวัวกับควายในท้องทุ่งเรื่องของการเรียนหนังสือนังหามันก็เลยมาแล้วจะเรียนอีกไม่ได้เพราะโตแล้วจึงไปหาความเอาดีทางกรุงเทพ ก็เพราะว่ากรุงเทพนั้นเปรียบเสมือนกับสวรรค์ลงได้ไปอยู่ย่อมต้องดีขึ้นเองดีกว่าจะจมอยู่กับโคลนกับตมนะักเกียรติแต่ก่อนอยู่บ้านนี้ชื่อนักเกิดพอไปเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นเกียรติเพราะพิ้งไปเลยเขาได้ตกลงกับตาแล้วก็ยายของผมว่าอีกสองสามวันจะมารับตัวไปฉะนั้นในหัวของผมเวลานี้จึงครวรแตกรุงเทพอีกไม่กี่วันนี้แล้ว ไอเรื่องพี่เลี้ยงควายจะไปชุบตัวที่กรุงเทพแล้วเนอลมยามเย็นพลัดพริ้วมาเต็มลานบ้านผมนึกว่าที่กรุงเทพจะมีลมเย็นๆอย่างนี้ไหมแต่ถึงมีก็คงจะไม่มีกลิ่นควายกลิ่นโคลอนอย่างที่บ้านเราเป็นแน่เขาว่าที่กรุงเทพมีถนนใหญ่หญๆมีรถวิ่งมีบ้านสวยๆมีตึกแถวมีไฟฟ้าสว่างสวยเอาเอนะลงได้ไปแล้วก็จะขอให้นักเกียรติพาทเที่ยวให้ชุ่มเลย วันในความฝันของผมก็ได้มาถึงแล้วนกเกียรติได้มาจากกรุงเทพโดยทางเรือผ่านอำเภออุทัยมาเมื่อนกเกียรติได้มาพูดตกลงเรื่องผมกับตายายแล้วผมก็เดินทางเข้ากรุงเทพกับนาเกียรติผมมีเสื้อผ้าอย่างเร็วๆห่อติดตัวไปเท่าที่มีคิดถึงตาคิดถึงยายแล้วก็ใกรๆที่เคยอยู่มาแต่เล็กแต่น้อยก็อดร้องไห้ไม่ได้ แต่ความตื่นกรุงเทพมันทำให้ผมรีบเช็ดน้ำตากราบลาใครต่อใครแล้วก็ลงเรือไปกับน้าเกียรติที่ข้างตะลิ่งด้านขวามือผมเห็นเจ้าแฟงลูกสาวลุงโนดกับบ้าอมมันยิ้มให้ผมด้วยดวงหน้าที่เหยเหและดวงตามีน้ำตาผมถึงกับสะอึกเจ้าแฟงมีอายุอ่อนกว่าผม3ปีผมอายุ15ปีเจ้าแฟงมันก็12ปีด้วยความดีใจที่จะได้ไปกรุงเทพผมกลับมองมันไปในแง่ที่ว่า มันร้องไห้คงจามไม่ใช่เพราะว่าคิดถึงผมหรอกมันก็เข้าแบบว่าผมได้ไปกรุงเทพมันก็อยากไปบ้างเพราะว่ากรุงเทพใครๆก็อยากไปผมยิ้มให้มันด้วยหัวใจเบิกบานเจ้าแฟงมองผมจนลับตาผมถึงอำเภออุทยัยนาเกียรติแวะเยี่ยมเพื่อนหลายคนกว่าจะได้เดินทางมาถึงอยุธยาก็บ่ายมากผมตื่นตาตื่นใจเพราะนานแสนนานจะได้เข้าเมืองสักหนเรือแพสับสนผู้คนมากผิดกับบ้านทุ่ง เราขึ้นรถไฟค่อนข้างเย็นเป็นรถไฟสายโคราชผ่านมาจากบ้านพาชีมีคนไม่ค่อยมากนักการขึ้นรถไฟช่างตื่นเต้นพิลึกได้ดูได้ผ่านทุ่งท่าไปเป็นลำดับอย่างเพลิดเพลินแต่หมู่บ้านท้องทุ่งบางแห่งก็ช่างเหมือนบ้านที่เคยอยู่ของผมที่มาโพทำให้ใจผมนึกหวนไปถึงใครต่อใครทางเบื้องหลังคิดถึงตายายผมมาซะแล้วแกต้องทางานหนักตาคงออกเลี้ยงควายเอง พอนึกถึงเรื่องควายหัวใจก็วูบไปถึงอีเด็กรุ่นน้องคือเจ้าแฟงเมื่อตอนสายที่จะจากมามันร้องไห้อยู่ข้างตลิ่งตอนนั้นผมคิดว่ามันร้องไห้เพราะอยากมากรุงเทพบ้างแต่ว่าตอนนี้มันเป็นเวลาพระอาทิตย์ต่าเรียดินใจผมอ่อนระโหยนกกาต่างบินกันเป็นหมู่กลับรังแต่ว่าผมสิกำลังจากรังผมก็ร้องไห้ออกมาสุดที่จะทนทน แม้จะพยายามอดกลั้นก็ไม่ไหวทั้งกลัวทั้งอายคนบนรถแล้วก็กลัวน่าเกียจจะดุเอาก็พยายามทำหน้าให้ดีแต่ว่าน้ำตามันก็ไหลาอาบหน้าภาพของเจ้าแฟงที่มันยิ้มกับผมด้วยน้ำตาช่างติดตาผมผมเกิดสงสารมันแทบใจขาดมันต้องคิดถึงผมจริงๆคิดถึงเพื่อนที่เคยเลี้ยงควายด้วยกันถูกใจกันแต่ว่าตอนนั้นผมตื่นการมากรุงเทพมันจึงไม่เห็นใจมันกลับมีใจเบิกบานแทนที่จะเวทนามัน มันเป็นหญิงที่ไหนจะได้มีโอกาสวาสนาได้มากรุงเทพมันก็ต้องก้มหน้าอยู่กับท้องนาจมอยู่กับวัววัวควายๆ อ, อยู่ในบางนั้นจนโตเท่าควายหมัดนี้มันได้เสียเพื่อนไปแล้วคือผมที่จากมันมาทั้งๆ ท, ที่ก็ไม่ได้พูดจาร่ำลาปลอบใจอะไรมันเลยยิ่งพระอาทิตย์จะรับฟ้าน้ำตาผมก็ไหลหนักคิดถึงตายายแกหวังดีกับผมจึงยอมให้ผมมาหาความเจริญเอาข้างหน้า ตากับยายเองก็คงต้องการให้ผมปราดเปลืองอย่างนาเกียดบ้างอันนี้จากแกทั้งสองต้องทำงานหนักแล้วก็คอยเวลาพ้นทหารของหลานชาอีกคนที่จะได้ฝากผีฝากไข่นาเกียดเห็นผมร้องไห้แล้วแต่ว่าแกก็ทำเมินๆผมพยายามหักใจว่าอะไรๆมันก็เลยมาแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วตั้งหน้าคิดเรื่องข้างหน้าว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้างกรุงเทพนั้นหน้าตาเป็นอย่างไร รถไฟได้เข้าเทียบสถานีหัวลำโพงที่กรุงเทพก็ค่ำพอดีผมตกใจและตื่นเต้นหนักสถานีที่นี่ใหญ่จริงๆผิดกว่าที่อายุทยาผมชักงกเงินหิ้วห่อผ้าเดินตามนาเกียรติปะปนไปกับฝูงชนพอออกมาหน้าสถานีผมยิ่งขนพองเพราะว่าเห็นรถเยอะมากไฟฟ้าสว่างไปทั้งถนนตึกแถวเรียงรายไฟพึบพับไปทั้งนั้นคล้ายกับมีงานนกเกียรติจูงมือผมเข้าร้านอาหารแถวนั้นเอง แกสั่งอาหารอะไรบ้างผมไม่ภาษาเลยนั่งคอยสักครู่ก็มีผู้ที่เอาอาหารมาให้ทั้งของผมแล้วก็ของนาเกียริผมมองอาหารอย่างตื่นตื่นของผมมีสองอย่างสังเกตว่าเป็นเนื้อชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ผัดอะไรหลายอย่างจานหนึ่ง อีกจานหนึ่งนั้นเป็นหมูสับแล้วก็ปั้นเป็นก้อนใหญ่ผัดรวมกับอะไรๆมากอย่างเช่นมีข้าวร้อนๆมาจานหนึ่งส่วนของนาเกียดนั้นมีเนื้อก้อนใหญ่สี่เหลี่ยมวางอยู่บนใบผักกาดหอมนักเกียดเอามีดหั่นเนื้อนั้นกินกับเหล้าเขาเรียกว่าเหล้าฝรั่งแล้วก็ผสมน้ำโซดาผมเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกที่ว่ากินอาหารต้องมีมีดมาหัน่นเอาเดี๋ยวนั้นเวลาจะกินอยู่บ้านไม่ว่าจะเป็นเนื้อไม่ว่าจะเป็นไก่เ้าหั่นมันแล้วทั้งนั้น อาหารของผมก็ต้องหั่นเหมือนกันเพราะว่าเนื้อมันชิ้นใหญ่ส่วนเจ้าหมูสับก้อนใหญ่นั้นไม่ต้องหัน่นพอเอาช้อนตักก็ยุย้ยผมตักใส่ปากเข้าไปคำนึงก็รู้สึกว่ามันอร่อยดังอาหารสวรรค์ชักกระดาษผมเคยแต่น้ําพริกบ้านนาเนื้อเค็มแห้งผักบุ้งผมตักกับข้าวเข้าปากตา ก, ก็มองลอดกระจกออกไปดูข้างถนนมีแต่คนแต่งตัวสวยๆเดินบ้างขึ้นรถบ้างณเกียรติยังไม่กินข้าวนั่งกินเหล้า ก, กับแกล้มเรื่องนี้ผมรู้ คนกินเหล้าเขาไม่ค่อยกินข้าวทางบ้านผมคนกินเหล้าจะกินแต่พวกยำเนื้อบ้างแกงต้มยำบ้างปลาแห้งยำบ้างกบยำสุดแต่จะหาได้ถ้ามีอะไรเหมาะบางทีก็มาขามเปียกจิ้มเกลือผมเห็นอาหารที่นักเกียรติกินเล่นนั้นก็รู้สึกเสียดายว่าถ้าเป็นบ้านเราอาหารจานเดียวนั้นก็จูงข้าวสารไปหลายจานทีเดียวแต่ว่านักเกียรติกินเล่นสบายไม่ห่วงข้าวเลยแกมองดูผมแล้วก็ยิ้มอย่างการุณา และขบขันที่เห็นผมตื่นตื่นในอาหารที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนเอา้ากินให้สบายเดี๋ยวจะสั่งให้อีกอร่อยอร่อยทั้งนั้นนาเกียริพูดแล้วก็ดื่มเหล้าอย่างสบายอารมณ์ผมบอกกับแกว่าผมอิ่มแล้วอย่าสั่งอะไรอีกเลยแกก็เลยสั่งของหวานคือไอศครีมซึ่งเป็นชนิดที่ผมไม่เคยกินอีกนั่นแหละเคยแต่ทางบ้านนอกอย่างเลวๆอย่างกรุงเทพแข็งข้นอะไรเนี่ยอร่อยกว่าหอมดีกว่าด้วย กว่านาเกียร์จะพากลับก็คํามากนาเกียริเรียกให้ผมหยิบของตามแกออกไปนอกร้านที่ริมถนนมีรถราวิ่งกันขวักขวายนกเกียริเรียกรถมาคันหนึ่งมันเป็นรถสามล้อคนขับใช้เท้าถีบคล้ายกับรหัดวิดน้ำผมขึ้นนั่งกับนาเกียริคนขับก็ถีบรหัสไปมันวิ่งดีเหมือนกันเราผ่านรถชนิดหนึ่งนกเกียริบอกว่าเป็นรถรางมันวิ่งบนรางเหล็ก รูปร่างมันเหมือนรถไฟที่เรานั่งมาแต่ว่าเล็กกว่าสั้นกว่านอกนั้นยังมีรถอะไรต่ออะไรหลายอย่างเล็กบ้างใหญ่บ้างล้วนแต่ที่ผมไม่เคยเห็นทั้งนั้นรถได้วิ่งมาถึงไหนบ้างผมไม่มีความรู้เลยเกิดมาในชีวิตก็เพิ่งจะเคยเหยียบมาเมืองสวรรค์ครั้งนี้เป็นครั้งแรกรถได้มาหยุดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งดูข้างจะใหญ่โตมากเกินกว่าบ้านธรรมดามีแขกดําๆเฝ้าประตูแขกอย่างนี้ผมเคยเห็นทางบ้านผม ขายผ้าบ้างขายถั่วบ้างขายขนมปังบ้างแขกนั้นยกมือแตะหัวเมื่อนักเกียรติเดินผ่านเข้าประตูรัว้วแขกมองดูผมที่มีห่อผ้าเดินตามหลังมาผมรีบเดินตามกระชั้นเข้าใกล้นักเกียรติผ่านโรงใหญ่ๆแล้วก็ไปถึงบ้านหลังหนึ่งใหญ่โตที่เขาเรียกว่าตึกเอา้ากลับมาแล้วหรอครับคุณเกียรติเสียงใครร้องทักทั้งนักเกียรติและก็ผมต่างเหลียวไปหาเสียงทักนั้น พูดทักเป็นชายกลางคนกำลังเดินเข้ามาหาเราโอ้ไปซะตั้งหลายวันเลยนะอ๋อเด็กคนนี้ใช่ไหมครับที่ไปรับมาชายคนนั้นถามนักเกียรติแล้วก็มองดูที่ผมหลายวันหน่อยนะครับไปบ้านคราวนึงก็ต้องไปเยี่ยมกันจนทั่วนเกียรติพูดอ๋อนะ้ครับทั้งนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมครับอ๋อมีสิชายคนนั้นตอบดูนเกียรติสนใจถึงกับเข้าไปจนชิดเกิดอะไรขึ้นนะครับนักเกียรติถามกระชั้นชิด จะถูกปิดนะสิครับอ้าวแล้วพวกเราทำอะไรเข้าล่ะคุณสุธีพูดกระทบกระเทือนเข้านะสิครับท้วงมาทันทีบรรณาธิการก็ต้องรีบไปขอต่อรองกันก็เลยหลุดไปได้พวกเราอ้าปากไม่ค่อยเต็มนเกียรติว่าแล้วก็ถอนหายใจนี่ครับลูกกุญแจชายแก่ส่งลูกกุญแจให้หนาเกียรติตอบขอบใจแล้วรับกุญแจมาพลางชวนผมขึ้นตึกผมเดินตามไปส่วนเรื่องที่เขาคุยกันเมื่อสักครู่นี้ ให้ผมฟังจนหูแตกก็ฟังไม่รู้เรื่องก็เลยเดินตามขึ้นตึกไปชั้นบนเดินสองเลี้ยวก็ถึงห้องนาเกียรแกไขกุญแจในห้องมืดแกเปิดไฟฟ้าก็สว่างขึ้นในห้องนั้นมีโตทำงานแล้วก็เตียงนอนนกเกียรวางกระเป๋าเดินทางลงแล้วก็จัดเตียงเล็กๆซึ่งเตียงนั้นเป็นเตียงนั่งเล่นแกจัดไว้ให้เป็นเตียงนอนของผมแกตั้งใจไปรับผมด้วยความจริงใจเพราะว่าแกมีมุ้งเล็กเตรียมไว้ให้ผมเรียบร้อย เราไปอาบน้ํากันที่ห้องหนึ่งที่กรุงเทพเขาไม่ได้อาบกันที่ท่าน้ําหรือว่าท่าเรือหรือที่บ่อน้ําเหมือนที่บ้านผมนักเกียรติอธิบายให้ฟังว่ามีห้องซ้วมอยู่ในห้องน้ํานี้ด้วยทั้งพาไปดูแล้วก็อธิบายวิธีเข้าซ้วมใช้ซ้วมช่างสบายกว่าบนนอกจริงไม่ต้องลงไปจากบ้านที่ซ้วมตั้งห่างบ้านกลางคืนนะบางทีก็ต้องระวังงูลําบากมากพออาบน้ําแล้วก็กลับห้อง นายเกียรติบอกให้ผมนอนส่วนแกจะต้องทำงานเขียนหนังสืออีกผมก็นอนรำพึงถึงสิ่งใหม่ๆแปลกๆในกรุงเทพที่ได้เห็นล้วนแต่น่าระทึกใจแล้วก็ย้อนนึกไปถึงทางบ้านนอกป่านนี้คงจะนอนกันแล้วดับไฟมืดไปทุกบ้านเจ้าแฟงอีกคนร้องไห้ตามผมเมื่อตอนสายนั้นก็คงนอนแล้วคงจะไม่ร้องไห้อีกแล้วผมนึกแล้วก็สะท้อนใจเมื่อวานแท้ๆผมยังนอนอยู่นู่นวันนี้ผมมานอนอยู่ที่นี่ เจ้าแฟงมันคงใจหายที่ผมเป็นเพื่อนของมันมาซะไกลผมมาอยู่ที่นี่สองวันจึงรู้ว่าผมมาอยู่ที่ไหนและมีสภาพอย่างไรคือตึกนี้เป็นที่ทำการของหนังสือพิมพ์เพื่อนไทยซึ่งนาเกียรติเป็นนักเขียนบทความและไม่มีบ้านอยู่เป็นของตัวเองจึงอาศัยที่ทำการนี้เฉพาะผมกับนาเกียรติเท่านั้นที่ต้องนอนที่นี่นอกนั้นคนอีกมากมายเขาก็มีบ้านอยู่กันทั้งนั้นพวกเขามาทางานกลางวันเย็นก็กลับบ้านหมด แต่ว่าเราสองคนยึดเอาที่นี่เป็นบ้านเลยภายในโรงพิมพ์นี้นับจำนวนคนที่อยู่ในนั้นเวลากลางคืนด้วยก็จะมีกันห้าคนคือแขกยามหนึ่งคนลุงพัดกับป้าน้อยเมียของแกสองคนเราอีกสองคนก็รวมกันเป็นห้าแต่ว่าแขกยามนั้นพอเช้าก็กลับไปบ้านเขาอีกสองสาวันผมก็ถูกส่งให้ไปลงที่โรงใหญ่หัดเรียงพิมพ์นกเกียรติอ้างว่าฟื้นความจาหนังสือไทยของผมที่เข้ามอซะ การหัดเรียงพิมพ์นั้นเหมือนคล้ายเรียนหนังสือกันใหม่ทั้งสะกดการันก็ต้องระวังทั้งยังต้องฝึกอ่านหนังสือที่พวกข้างบนเขาเขียนให้ออกแบบแจมแจ้งผมเรียนอยู่6เดือนก็พอจะเรียนได้คล่องและก็มีความรู้เกี่ยวกับข่าวสารการเมืองพอจะผ่านหูผ่านตาขึ้นมาบ้างด้วยว่าอ่านทุกวันเรียงตัวอักษรทุกวันผิดทุกวันเขาก็แก้ลงมาทุกวันนานๆเข้าสะกดการันไม่ค่อยผิดชักจะคุ้นตาคุ้นใจ การเรียงพิมพ์นี่เท่ากับสอบภาษาไทยทุกวันการเรียนหนังสือของผมก็เลยดีขึ้นสะกดตัวไม่ผิดวักตอนดีขึ้นสำนวนการพูดก็ดีขึ้นพอจะพูดจะคุยอะไรกับใครพอรู้เรื่องเท่ากับเรียนทางลัดเพราะว่าอายุผม15ปีนี่จะไปเข้าเรียนที่ไหนได้โรงเรียนอะไรเขาจะรับนักเรียนโข่งเอาไว้เล่าคนหนังสือพิมพ์ที่นี่เป็นนักการเมืองกันหลายคนและนักเกียรติก็เล่นการเมืองกับเขาด้วย ผมได้ยินคนเขาพูดกันว่านาเกียรติเนี่ยปากกาคมนักผมก็แปลกใจว่าถ้านาเกียรติเป็นคนสำคัญทาไมไม่มีบ้านอยู่ผมเพิ่งจะรู้จักว่านักการเมืองเนี่ยบางคนดูเร่ร่อนแต่เพื่อนนั้นมากมายเช่นนาเกียรติเป็นต้นกลางคืนมักจะไปประชุมกับเพื่อนหาเสียงหาคะแนนอะไรกันไม่รู้บางคืนไม่กลับมาทั้งคืน ผมก็ต้องนอนอยู่ในตึกคนเดียวชักไม่สบายใจเลยตัวตึกมันใหญ่แล้วก็น่ากลัวถ้าอยู่คนเดียวแต่ผมไม่กล้าจะร้องเรียนอะไรกับแกได้กลัวแกจะโกรธและเกลียดว่าผมไม่อดทนความจริงแล้วการที่ผมใหม่ตัวตึกนี้มันย่อมหวาดกลัวอยู่เองบางเวลาก็มีเสียงอะไรแปลกๆข้างนอกห้องผมนิ่งฟังด้วยแจระทึกไม่กล้าพอที่จะเปิดประตูออกมาดูว่าเป็นเสียงอะไรที่ได้ยิน การไม่ค่อยจะอยู่ติดที่พักของนาเกียดนั้นยังดีที่แกห่วงผมจ่ายเงินไว้ให้ซื้ออาหารกินคนเดียวที่ร้านเจ๊กเสร็จอาหารแล้วก็เลี่ยงมานั่งคุยกับลุงพัดแล้วก็ป้าน้อยเพื่อฆ่าเวลาก่อนนอนง่วงจริงๆจึงจะฝืนขึ้นนอนแม้แต่จะกลัวอยู่ก็ต้องจำใจขึ้นไปนอนผมปิดประตูใส่กลอนเปิดไฟสว่างตลอดคืนยังไม่หลับก็นอนฟังเสียงรถวิ่งที่ถนนเป็นรถ3ล้อมากกว่ารถอื่นๆ ดีดกระดิ่งกันเกลียวกราวบางคราวพวกสามล้อนั่นก็ด่าทอกันเองเสียงเอตตโรลั่นถนนมีอยู่คืนหนึ่งมีเสียงคนเดินขึ้นบันไดจากข้างล่างมาชั้นบนผมก็คิดว่านั่นคือเสียงนาเกียรกลับมาผมคอยฟังว่าจะมาเรียกที่ประตูเมื่อไหร่พอเสียงฝีเท้าเดินมาที่ประตูผมก็จะเปิดรับแต่ก็ไม่มีเสียงเรียกผมก็นิ่งซะไม่ยอมเปิดก่อนเรียก ครั้นไม่เห็นจริงๆผมจึงค่อยๆเปิดประตูแง้มดูข้างนอกห้องไม่มีนักเกียรติอยู่นั่นเลยแกหายไปไหนหรือจะไม่ใช่ผมชะโงกมองขวาก็ไม่พบใครก็เลยปิดประตูกลับมาหรือแกจะเดินเลยไปห้องน้ําก่อนถ้ากระนั้นแกก็เดินกลับมาเองผมก็เลยลงนั่งคอยที่โต๊ะทํางานของแกคอยฟังว่าแกจะเรียกเมื่อไหร่แต่คอยนานเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงแกมาเรียกผมก็เลยฟุบที่โต๊ะแล้วก็หลับไป สะดุ้งตัวตื่นขึ้นฟังเสียงเห็นเงียบสงัดไม่มีเสียงนาเกียรติผมก็เลยเข้ามุ้งนอนรุ่งขึ้นตอนสายนาเกียรติกลับมาผมถามว่าเมื่อคืนแกกลับมาแล้วหายไปไหนซะอีกผมก็เลยได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยผมได้ยินเสียงฝีเท้าเดินขึ้นบันไดามาแล้วก็มาหยุดยืนที่ประตูครั้นผมเปิดประตูออกดูก็ไม่มีใครนเกียรติฟังแล้วก็มีสีหน้ากังวลใจแล้วก็ตอบกับผมว่าเมื่อคืนไม่ได้กลับมาเลยนอนอยู่บ้านเพื่อน ผมก็ไม่สนใจอีกเพราะว่าเป็นธรรมดาของแกที่กลับบ้างไม่กลับบ้างครั้นลงไปทำงานเรียงพิมพ์กลับเกิดสงสัยในใจขึ้นมาว่าในระหว่างที่ผมเล่าให้แกฟังว่ามีคนขึ้นบันไดามาชั้นบนในยามวิการแบบนี้นายเกียิมีสีหน้ากังวลใจแต่ว่าแกไม่ออกความเห็นว่าอะไรเป็นอะไรซะบ้างเลยหรือว่าแกมีความในอะไรบางอย่างกระมังแกถึงทาหน้าอย่างนั้นแกคงจะหลบหลีใครอยู่ก็เป็นได้ เรื่องของคนเล่นการเมืองก็ยุ่งยุ่งแบบนี้นี่เองแต่ละคนที่มาหาเนกียดได้ดูพิลึกพิลึ ก, ลกบางทีทำครึ้มและจะพูดอะไรก็มีแง่มุมเป็นในในคนอย่างผมฟังไม่ออกว่าเขาพูดอะไรกันแต่ละคนดูมีความสำคัญทุกคนเสมือนว่าจะไม่มีใครจะดีกว่าเขารู้อะไรอะไรก็ไม่เท่าเขาบางทีเขาพูดอะไรอย่างดุดุราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ บางคราวพูดอะไรแดกๆดันๆผมไม่สนใจนักก็เลยไม่ค่อยได้ฟังเขาพูดกันกลุ่มคนพวกนี้อยู่ๆก็ทำตัวปิดๆเปิดๆ ด, ด, ด, ดูมีทุกข์บ้างเครียดแค้นบ้างทำไมไม่ทำตัวหาความสุขเท่าที่จะทำกันได้เล่ามาโกรดแค้นใครกันเย็นนี้ผมต้องกินข้าวคนเดียวอีกที่ร้านเจ๊กเพราะว่าเพื่อนๆมาตามนักเกียดไปผมเริ่มกลุ้มใจอีก ถ้าแกไม่กลับผมจะต้องนอนคนเดียวตามเคยตอนหัวค่ำก็อาศัยลุงพัดป้าน้อยไปก่อนพอเห็นทีแกจะง่วงผมก็ต้องแข็งใจกลับขึ้นบนตึกลำบากลำบนเข้าห้องเปิดประตูลงกรอนเปิดไฟจ้าแล้วเข้ามุ้งนอนแสวคเนว่าเวลาสักห้าท่มได้เกิดความยุ่งยากขึ้นกับใจผมคล้ายกับคราวก่อนคือมีเสียงฝีเท้าคนสองสามคนขึ้นบันไดามาชั้นบนผมนิ่งฟังอยู่ ฝีเท้านั้นเดินมาทางห้องคราวนี้มีเสียงผู้หญิงด้วยหัวร อ, อ ก, กันคิกคักหยอกล้ อ, อ ก, กันมาตัวของผมเองนั้นยืนอยู่ที่ประตูโดยยังไม่ได้เปิดออกไปแต่ว่าเสียงฝีเท้าเดินเลยห้องผมไปผมก็เลยแอบเปิดประตูแง้มดูแต่ก็ไม่เห็นใคร เขาคงเดินเลยแล้วก็เลี้ยวไปซะแล้วผมจึงปิดประตูเสดังเดิมเกรงว่าถ้าเขาเดินกลับมาเขาเหล่านั้นอาจจะไม่พอใจที่ผมแอบดูเขาผมปิดประตูแล้วก็ยืนแอบอยู่ข้างประตูจัดการดับไฟให้มืดเฉพาะในห้องเราคิดไว้ว่าถ้าเขาเดินย้อนมาผมจะแอบอยู่ข้างเดียวโดยไม่ให้เขารู้ตัวตามที่คิดไว้ก็เป็นจริงทุกอย่างเขาเหล่านั้นเดินย้อนกลับกันอีกผมเนดูว่าพอเขาคล้อยหลังผมก็รีบแย้มประตู แ, แปลกจริงผมดูไม่ทันตามเคยเขาเลี้ยวไปซะแล้วผมโง่ที่ไปใส่กรอนไว้เวลาเขาเดินมาจะถอนกรอนแรงนักก็จะมีเสียงดังจึงค่อยๆดึงมันจึงทำให้ช้าไม่ทันการครั้นจะออกจากห้องไปดูถ้าเขาเห็นเขา้าเขาก็จะหาว่าผมเนี่ยมีความทะลน่งพอเช้าขึ้นนะักเกียรติกลับมาทำงานผมก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังแกก็มีสีหน้าโงนเณพัปล่อยให้ใครขึ้นมายุ่งยาม นาเกียรต์พูดแล้วก็ชวนผมลงไปหาลุงพัดเพื่อสอบถามเรื่องดูทั้งให้ผมเล่าเหตุการณ์ที่เห็นมาให้ฟังอย่างละเอียดเอ๊ถ้าผมจะหลับนะครับแต่เอ๊ะทําไมไอ้บาบูมันจะปล่อยให้ใครเข้ามาในนี้ได้ล่ะลุงพัดพูดคล้ายกับพูดกับตัวเองแล้วก็มองตานักเกียรติบ้างมองตาป้าน้อยบ้างโดยมีสีหน้ายุ่งใจถ้าพวกข้างบนจะเกิดนัดพวกมาพบกันที่นี่กระมงังเจ้าบาบูมันก็รู้จักทุกคนก็เลยยอมให้เข้ามา ลุงพัดออกความเห็นดังนั้นนกเกียรติก็เลยเห็นจริงเออถ้าจะจริงอย่างที่นพัดว่านกเกียรต์พูดเดี๋ยวเดี๋ยวถามบาบูดูก็รู้ว่าใครมาบ้างอืถามอะไรล่ะครับเช้าขึ้นมันก็กลับบ้านมันละลุงพัดว่าเป็นอันว่าไม่ได้ความในเย็นวันนั้นบาบูมาทำงานนกเกียรติกับลุงพัดเรียกมาถามความเมื่อตอนกลางดึกคืนวนัน โดยส่วนตัวของบาบูเองแล้วก็ยังคงยืนยันเสียงแข็งว่าไม่มีใครเข้ามาเลยเขารับว่าถ้าแม้เขาจะนั่งหลับไปบ้างแต่ถ้ามากันตั้งหลายคนเขาก็ต้องรู้ประตูไม่ได้เปิดกว้างทั้งสองบานพอค่ําคืนก็ปิดประตูเหล็กแต่ว่าปกติถ้าไม่มีใครมาประตูเหล็กก็จะปิดเสมอ เอาหลังพิงบานประตูไว้ใครจะแอ บ, บเข้ามาได้อย่างไรนักเกียรติกับลุงพัดก็จนปัญญาทั้งสองคนต่างมองหน้ากันอย่างสงสัยอยู่ในทีผมก็ชักใจวูบขึ้นมาทีเดียวถ้าหาก ว, ว่ามีใครขึ้นไปบนตึกนั้นแล้วใครหลักขึ้นไปทั้งสองคืนนักเกียรติมองหน้าผมแกรู้ว่าผมมีหัวใจอย่างไรในเวลานั้นพอสักครู่เพื่อนแกก็มาแกเลยเลิกไปข้างนอก แกให้ผมไปสั่งเหล้าแล้วก็อาหารที่ร้านเจกเข้ามากินกันเลี้ยงกันในห้องนั้นตอนโพล่๊ะผมเกิดปวดปัสสาวะจึงรีบมาห้องน้ำที่เปิดไฟสว่างมีใครคนหนึ่งเป็นชายกลางคนเดินสวนออกมาจากห้องน้ำอย่างเร็วถ้าผมหลบไม่ทันก็โดนกันผมก็เลยเข้าห้องน้ำแล้วก็เหลียวกลับดูว่าชายผู้นั้นคือใครแต่ก็ไม่เห็นแล้วผมจึงหมุนตัวเข้าห้องส้วมก็มีหญิงสาวพลุนพลันสวนออกมาผมผงะเกือบโดนกันอีก พอหญิงคนนั้นออกประตูไปผมก็เข้าห้องซ่วมปัสสาวะไปก็นึกถึงหน้าแล้วก็ภาพนั้นว่ามันคล้ายกันกับฝันเลื่อนๆลื่อน l ผมเสร็จแล้วก็รีบกลับมาบอกน้าเกียรติพอแกได้ฟังก็ลุกขึ้นยืนอย่างเร็วและรีบวิ่งมาที่เฉลียงตึกตะโกนลงไปข้างล่างว่านาพัทครับเฝ้าบันไดไว้อย่าให้ใครลงไปมีคนขึ้นมาอีกนพัทสั่งบาบูให้คุมประตูด้วย นาเกียิว่าแล้วก็กลับเข้าห้องบอกเพื่อนอีกสองคนให้ช่วยกันหาคนแปลกหน้าที่ขึ้นมาบนตึกทั้งหมดเที่ยวเปิดประตูห้องทั้งหมดแม้แต่ห้องเก็บของทุกๆแห่งทั่วตึกก็ไม่มีใครเปิดไฟสว่างไปทั้งตึกทุกๆบานก็ปิดใส่กลอนดีอยู่แต่คนแปลกหน้าหญิงชายคนนั้นหายไปทางไหนเราลงไปที่ตึกชั้นล่างอีกร้งคราวนี้ลุงพัดเข้าช่วยค้นหาอีกคนมันก็เป็นเรื่องประหลาดไม่มีใครเลย แต่อะไรเล่าที่ห้องน้ำํำลุงพัดมองหน้าผมอย่างสงสัยว่าจะตาฝาดป้าน้อยนั้นตาวาวอย่างตื่นกลัวส่วนใจผมนายถามผมเลยวูบวาบเหลือเกินภาพของชายกลางคนที่สวน ก, นกันกับผมที่ห้องน้ํานั้นแม้แต่จะสวนด้วยกลุ่ยาอาการอันเร็วแต่ผมจําได้ว่าชายคนนั้นมีหนวดตัดเรียบริมฝีปากและหนวดนั้นงอกประปรายพร้อมกับเส้นผมก็เช่นกัน หญิงคนนั้นแม้จะเดินก้มหน้าผมก็เห็นหน้าแกด้านหนึ่งที่มีปานที่โหนกแก้มลุงพัดนั้นท่าทางแกเข้มแข็งอยู่แต่ผมสังเกตเห็นมือที่แกถือตะพดนั้นสันๆมองหน้าคนโน้นทีคนนี้ทีแล้วก็หันมองดูตามซอกตามมุมตึกแล้วก็สะกิดป้าน้อยให้กลับห้องพอพ้นเราแกทั้งสองก็ก้มหน้ากระซิบออกความเห็นแก่กันป้าน้อยก็ทำมือโวกเวกลุงพัดก็ทำมือทำไม้เช่นกัน ส่วนตัวของผมนั้นขาชักจะเริ่มสั่นเกิดมาเป็นตัวเป็นตนก็เคยเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตและก็เป็นการเห็นที่ใกล้ชิดส่วนผู้อื่นๆรวมทั้งนักเกียรติอาจจะยังไม่เชื่อก็ได้เพราะเขาทั้งหมดไม่ได้พบเองได้ยินแต่ผมบอกแค่อายุผมอาจจะโลเลโวยวายไปก็ได้ที่พบมาสามครั้งอาจจะหูเืนในคืนรแรกได้ยินอะไรแว่วมาจากทางไหนมันก้องมาบนตึกก็เลยเหมา ว, ว่าเป็นคนที่ขึ้นมา แต่ว่าครั้งหลังนี้ตาผมคงจะเฝือนไปอีกกระมังแต่ว่าตัวผมเองนั้นแน่ใจที่สุดมันทั้งได้ยินและได้เห็นเต็มตาในคืนนั้นได้เกียรติตกลงไม่ไปไหนเมื่อเพื่อนๆกลับกันแล้วแกก็อาบน้ำแล้วก็ลงมือเขียนหนังสือที่โตะ๊ะและบอกให้ผมนอนผมจึงเข้ามุ้งนอนคิดถึงภาพที่ติดตาอยู่เมื่อตอนหัวค่าและเสียงประหลาดเมื่อคืนก่อน รู้สึกว่าทุกคนที่ฟังจากปากคำของผมเล่าให้เขาฟังก็ยังคงเลือนๆไม่เชื่อผมและผมจะต้องอยู่ที่นี่อีกต่อไปโดยนักเกียรติจะอยู่บ้างไม่อยู่บ้างและผมจะต้องพบกับเขาเขาผู้ที่ไม่มีร่างกายทำได้แต่เสียงอีกทั้งพวกหนึ่งทำภาพให้เห็นชัดเมื่อหัวข่ามนี้ผมคิดแล้วก็หนาวสะท้านเมื่อจากบ้านมาแล้วไม่มีทางอะไรจะเลือกได้ตามใจถ้าผมยังอยู่บ้านนอกผมจะขอพึ่งตาพึ่งยาย แต่ว่ในยามนี้ผมจากมาแล้วก็ต้องหมดทางพึ่งครั้นจะพูดกับนาเกียรติแกจะยอมฟังหรือเพราะตัวแกเองยังไม่มีบ้านอยู่แกจะจัดให้ผมพ้นที่นี่ไปได้อย่างไรผมคิดไปก็กลัวไปรู้สึกว่าหมดที่พึ่งก็เลยร้องไห้ขึ้นมานาเกียรติได้ยินเสียงผมร้องไห้จึงลุกเดินมาที่ผมอืมอย่าร้องเลยว่ะพรุ่งนี้นะจะย้ายแกลงไปอยู่กับนัทผมได้ยินแกพูดดังนั้นจึงค่อยหายทุกข์ใจค่อยระงับความกระวนกระวายลงได้ นอนนิ่งเงียบรู้สึกขอบคุณนะเกียรติที่ยังเมตตาผมอยู่มีได้ทิ้งขว้างผมอย่างที่ผมคิดไปแกก็เห็นใจผมห่วงผมไม่ใช่คนเอาแต่ใจตัว